ถ้าถึงพระรัตนตาฏไรก็ไม่รอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปริตรปฏิหารเลิกฝากตัวกับโชคชะตาข้อที่สมัคคือทางดับทุกข์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดสาเหตุแห่งปัญหาเมื่อรู้ทั้งปัญหาทั้งสาเหตุแห่งปัญหาทั้งจุดหมายที่เป็นภาวะหมดสิ้นปัญหาทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็พร้อม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 ยิ่งถ้ารู้สึกว่าการปฏิบัตินั้นยากก็อาจเกิดความระยอท้อถอยหรือถึงกับไม่ยอมปฏิบัติแม้หากปฏิบัติก็อาจทำอย่างถูกบังคับ จ, จําใจฝืนใจสักว่าทมไม่อาจดำเนินไปด้วยดีในทางตรงข้ามถ้าเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งที่เป็นจุดหมายแล้วเขายอมยินดีปฏิบัติยิ่งจุดหมายนั้นดีงาม เขาอยากได้มากเท่าใดเขาก็จะยิ่งมีกําลังใจปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งมากเท่านั้นเมื่อเขามีชันท่าจริงจังแล้วแม้ว่าการปฏิบัติจะยากลำบากเท่าใดก็ตามเขาก็จะพยายามสู้ทำรรให้สำเร็จการที่พระพุทธเจ้าตรัสนิโรธไว้ก่อนหน้ามักก็เพราะเหตุผลข้อนี้ด้วยคือให้ผู้ฟังมีความหวังและเห็นคุณค่าของนิโรธที่เป็นจุดหมายนั้นก่อน จนเกิดความสนใจกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติและพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติต่อไปเมื่อพระองค์ตรัสแสดงยุโรธให้เห็นว่าเป็นภาวะที่ควรบรรลุถึงอย่างแท้จริงแล้วผู้ฟังก็ตั้งใจที่จะรับฟังมัคด้วยใจมุ่งมั่นที่จะเอาไปใช้เป็นข้อปฏิบัติและทั้งมีกาลังใจเข้มแข็งพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมัค และยินดีที่จะเผชิญกับความยากลําบากในการปฏิบัติตามมารกนั้นต่อไปเมื่อมองหาเหตุแห่งทุกข์มนุษย์ชอบมองออกไปหาที่ซัดทอดภายนอกหรือมองให้ไกลาจากความรับผิดชอบของตนเท่าที่จะเป็นไปได้ชั้นใดเมื่อจะแก้ไขทุกข์มนุษย์ก็ชอบมองออกไปข้างนอก หาที่ปกป้องคุ้มครองให้ตนพ้นภาระหรือให้มาช่วยทำการแก้ไขทุกแทนให้ฉันนั้นว่าโดยลักษณะการกระทําทั้งสองนั้นก็คล้ายคลึงกันคือเป็นการหลบหน้าความจริงไม่กล้ามองทุกและเลี่ยงหนีการเผชิญความรับผิดชอบเหมือนคนหนีภัยด้วยความคลาดกลัวหาที่พอปิดตาซุบหน้าไม่ให้เห็นภัยนั้น นึกเอาเหมือนว่าได้พ้นภัยทั้งที่ทั้งร่างทั้งตัวถูกปล่อยทิ้งไว้ในพยันตรายท่าทีเช่นนี้ทําให้เกิดนิสัยหวังพึ่งปัจจัยภายนอกเช่นการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบุญบานเส้นสวงสังเวยการรอคอยการดลบันดาลของเท พ, พเจ้าหรือนอนคอยโชคชะตาพระพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งที่หวังพึ่งเช่นนั้น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 พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็คิดที่จะดำเนินวิธีแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจสีประการคือกำหนดทุกข์สืบสาวหาสาเหตุแห่งทุกข์เล็งรูภาวะดับทุกข์ที่จะพึงบรรลุแล้วปฏิบัติตามวิธีแก้ไขที่ตรงเหตุซึ่งพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมายเรียกว่ามักมีองแปด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 มีองค์แปดอันให้ถึงความสงบระงับทุกข์นี่แหละคือสารณะอันกเกษมนี้คือสารณะอันอุดมคนถึงสารณะอย่างนี้แล้วย่อมปลอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระรัตนตรัยเป็นหลักใหญ่สามเศร้าที่ชาวพุทธพึงระลึกตรนักอยู่เสมอ คือหนึ่งพุทธคือมนุษย์ชี้ถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในมนุษย์แต่ละบุคคล 2. ธรรมะคือธรรมชาติธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยที่รู้แล้วจะรู้รมที่เหนือเหตุปัจจัย ส, สงมสงคือสังคม สังคมอุดมคติแห่งอริยชนผู้ดำเนินอยู่ในขั้นต่างๆแห่งการรู้ธรรมะและก้าวตามวิถีแห่งพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้มีสติปัญญาความสามารถที่อาจฝึกปรือหรือพัฒนาให้บริบูรณ์ได้สามารถอย่างรู้สัจธรรมบรรลุ ค, ความหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ทุกข์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 พระธรรมเป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่าความจริงหรือสัจธรรมเป็นภาวะที่ดำรงอยู่โดยธรรมดาสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้ารู้จักมองดูรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่มันเป็นจริงนำความรู้ธรรมะคือความจริงนั้นมาใช้ประโยชน์ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้เท่าทันสภาวะและกระทาการที่เหตุปัจจัย ก็จะแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเข้าถึงธรรมและมีชีวิตที่ดีที่สุดพระสงค์เป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่าสังคมดีงามมีธรรมะเป็นฐานประกอบด้วยสมาชิกผู้มีจิตใจไร้หรือห่างทุกเป็นอิสระเสรีแม้มีพัฒนาการแห่งจิตปัญญาในระดับแตกต่างกันแต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยดี มีความสมเสมอกันโดยธรรมมีความสามัคคีรวมกันร่วมกั น, กนและเกื้อกูลหนุนเสริมกันและกันให้ก้าวไปใ น, นมรรคาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นมนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมอยู่ร่วมสร้างสังคมเช่นนี้ได้ด้วยการรู้ธรรมคือธรรมะและปฏิบัติตามธรรมถ้าไม่มีความมั่นใจในพระรัตนตรยัย